ท่านสาธุชนมุ บ, บริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานธกรรมฐานแล้วโอกาสต่อนี้ไปเป็นวาระที่ท่านทั้งหลายจะได้รับการศึกษาในการเจริญพระกรรมฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแระกรรมาฐานบทนี้แทนที่ผมจะแนะนำท่านในด้านพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลารุสติอุปสมานุสติแต่ละอย่างผมขอโอกาสแนะนำรวมเพราว่าถ้าปฏิบัติแบบนั้นไม่ทันกับอายุของเราที่จะสิ้นไป เนื่อ ว, ว่าพระกรรมฐานทั้งห้าอย่างนี้ถ้าว่าท่านหลายสามารถจะทรงได้เพียงแค่กำลังเบาๆท่านอันหลายจะทรงความเป็นพระอริยเจา้าขั้นพระโสดากับสหิทาคามีเป็นอันว่าการศึกษาพระกรรมฐานหมดนี้เป็นการศึกษาที่มีกำไรอย่างยิ่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะนำของกระผมก็แนะนำในด้านสุขวิปัสสโกคำว่าสุขวิปัสสโกนี้ใช้กำลังการพิจารณาแบบเบาๆหมายความว่ามีการรู้แจ้งเห็นจริงแบบสบายๆไม่ต้องเร่งรัดในชาวสมาบัติจนเกินไป ก็ขอท่านหลายจงจำไว้ด้วยว่าสำหรับพระสุนทบัรยัลพระสกิทาคามีอันนี้องค์สมเด็จพระชินาสีทรงจัดว่าเป็นผู้ทรงอธิศีนหมายความว่าเป็นผู้ทรงศีลยิ่งฉะนั้นผมจึงเอาคำแนะนำทั้งหมดในกลุ่มนี้แทนที่จะแยกอามารรมกันเส้นเลย สำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนําหัวข้อที่พึงปฏิบัติเป็นตอนตอนไปเพื่อความจําเป็นที่พึงเข้าถึงสําหรับพุทธานุสติก ร, รมฐานก็ดีหรือว่ากรรมฐานทั้งหมดคนดีมีวิธีปฏิบัติสองอย่างการปฏิบัติให้ทรงฌานแบบสงับ ด, ด้านสมาธิปกติกับการพิจรารณา วันนี้จะขอแนะนำทั้งสองแบบตามเวลาที่เพิงจะให้สำหรับพุทธานุสติกรรมทานนี่ตามความนิยมในด้านการทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิหรือว่าทรงอารมณ์ให้เป็นฌานท่านปฏิบัติกันแบบนี้ผมได้เคยบอกท่านแล้วว่าพระกรรมทานทุกอย่างท่านจะทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้ เพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานนะครับอารมณ์จิตโพ้งซ่านถ้าเมื่ออารมณ์จิตโพ้งซ่างขึ้นมาเมื่อไรถ้าเราใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาอารมณ์ไม่ยอมหยุดจากการโพ้งซ่านก็ทิ้งคําภาวนาหรือพิจารณาเสียจับแต่อานาปานุสติอย่างเดียวไปเดียวก็จะหยุด สำหรับในด้านพุทธานุสติกมามฐานที่ปฏิบัติเป็นการทรงฌานท่านให้จับคู่กับลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุดเวลาให้ใจออกนึกว่าโธ ท, ทรงอยู่แบบนี้สำหรับธรรมานุสติกมามฐานแล้วก็เวลาให้ใจเข้านึกว่าทำ เป็นลายใจออกนึกว่าโมคื่อว่าทำโมสำหรับสังขานสติกรรมฐานเวลายใจเข้านึกว่าสังเวลาใจออกนึกว่าโคลแปลว่าสังโคลสำหรับสีลานสติกรรมฐานนั้นเป็นพิจารกรรมฐานไข้ควรคุมสิงสำหรับอุปสมานสติกรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานตั้งอารมณ์ไม่จะพาอพิจารเป็นอารมณ์คิด ก็ไม่ควรจะนั่งภาวนาวรสีโลหร อ, อุปสมอหร อ, อุปสมโมอันนี้ไม่ควรคให้ตรงตอนนี้ก็จะขอพูดถึงว่าผลที่จะเพึงบังเกิดแก่นนักเจริญพระกรรมฐานในด้านปริบัติในพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติซึ่งมีผลปรากฏเป็นสองประการ ความจริงเรามุ่งนึกถึงความดีขององค์สมเด็จตั้งสมาสัพพุตตเจ้าในการดันทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิแลื้ออยจงอย่าลืมว่าจิตของเรานี่บางครั้งเราต้องการสัดต้องการสรงอารมณ์เฉยๆให้มีอารมณ์ทรงตัวและบางคราวจิตก็ต้องการความคิดต้องการคิด นักเจริญพระกรมาฐานที่ดีจะต้องไม่ฝืนอารมณ์จิตเมื่อจิตต้องการสงัดต้องการอารมณ์ทรงตัวแล้วก็ใช้จับลมให้ใจเขาออกคู่กับภาวนาถ้าจิตต้องการคิดเราก็คิดถึงความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมหรือความดีของพระอริยสงฆ์ ถ้าหากว่าท่านเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติและโดยเฉพออาะอย่างยิ่งพุทธานุสติก็ดีสังคานุสติก็ดีผลจะเกิดขึ้นอีกแบบหนึ่งซึ่งแปรการแทกเข้ามาแต่ก็เป็นความดีอันนี้ต้องจด น, นั่นก็คือเวลาพิจารณาเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิ จิตจะปรากฏเห็นเป็นภาพพระพุทธรูปหรือว่าเป็นภาพองค์สมเด็จ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงความเป็นมนุษย์แต่ก็มีความสวยสดงดงามเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาอาจจะเป็นภาพพระหรืว่าจะเห็นภาพพระสององค์ใดองค์หนึ่งปรากฏขึ้น โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการกําหนดพิจารณาพุทธานุปสติกรรมฐ า, านหรือว่าสังขานุปสติกรรมฐ า, านอันนี้มีอยู่สองแบบด้วยกันแบบหนึ่งภาวนาโดยไม่คิดถึงรูปพระพุทธเจ้าหรือภาวนาโดยไม่คิดถึงรูปพระสงฆ์อีกแบบหนึ่งใช้จิตเรานิยม ก็ให้นึกถึงรูปพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งคือพระพุทธรูปที่เรามีความพอใจที่สุดสามารถจะติดใจง่ายผมไม่เรียกว่าติดตาเพราะเราหลับตาแล้วเวลาภาวนาไปนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นสำหรับสังขารนสติเราก็นึกถึงพระอริยสององค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าพระสององค์ใดที่เรามีความเคารพไปด้วยอย่างนี้ก็ทําได้ ถ้าหากว่าท่านหลายนึกถึงภาพพระพุทธรูปก็ดีนึกถึงภาพพระสงฆ์ก็ดีถ้าบังเอิญภาพนั้นกระจายขึ้นมีสีแปลกจะมีสีรูปพระอื่นแต่ว่าเป็นภาพเหมือนกันนอกจากพระที่เรากําหนดจิตไว้ในขณะที่ภาวนาก็จงอย่าตกใจเมื่อเป็นภาพพระเหมือนกันก็จับภาพพระนั้นไว้ ถ้าใช้จิตจับภาพรู้สึกว่าจะมีประโยชน์มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะการจับภาพเป็นตั้สินแล้ว่าจะเป็นเั้สินอะไรก็ชชางถือว่าเป็นกรรมฐานหยาบจิตสามารถจะเป็นสมาธิได้ดีแล้วก็ทรงได้ที่ฌานสี่จำมาให้ดีนะครับ อันนี้สำหรับการเจริญพระกรรมฐ า, านปรากฏภาพจงศึกษาไว้อีกนิดหนึ่งนัน่นก็คือเมื่อเวลาหา้าปีผ่านมาปรากฏว่ามีบาซิกาคนหนึน่งที่อยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีใ น, นขณะ น, น, นั้นเธอไปศึกษาพระกรรมฐ า, านในสำนักสอนกรรมฐ า, านแห่งใดแห่งหนึ่ง อย่าให้ผมออกนามจะเสียชื่อเสียงเขาการสอ น, นาาเพื่อกรรมฐานของสำนักนั้นไม่ใช้คำภาวนาวัคุโธคิดถึงรูปกับนามจะได้ว่าท่านอมบาศีกาท่านนั้นเมื่อหลับตาลงไปคิดถึงรูปกับนามคราวไร่ก็ปรากฏว่ามีรูปพระพุทธรูปปรายกฏขึ้นในใจเสมอ ท่านไปบอกทานายจารย์ทานาจารย์ก็บอกว่านั่นเป็นกิเลสให้ทิ้งไปจงอย่าเอาใจเข้าไปยุ่งให้สนใจในคาว่าลูกกับนามเสมอเท่านั้นท่านอุบายิกาแท่านนั้นก็ตั้งใจจะทิ้งภาพนั้นชื่อม่ยนึกถึงแต่ปรายก็ไรยิ่งไม่นึกถึ ง, ยย ง, ถงจิตจภาพลูกกับนาม แทนที่รูปจะหายไปรูปนั่น ก, ก็ชัดเจนแจ่มใสขึ้นทุกวันเป็นอนุวาตทั้งเวลาสามเดือนที่ผ่านมาเมื่อหลับตาลงไปหรือจะไปหรือลืมตาก็ตามภาพพระพุทธรูปนั้นติดใจอยู่เสมอเห็นชัดเห็นทางใจไปหาอาจารย์คราวไรอาจารย์ก็บอกว่าเป็นกิเลสให้ผมก็ ส, สงสัยเหมือนกัน ว่าถ้าเราเห็นพระเป็นกิเลสแล้วก็เราจะหลบกิเลสไปทางไหนตามแบบจำบับที่เราศึกษากันมาเมื่อเห็นภาพภาพระเป็นภาพมงคลเมื่อออกพรรษาแล้วปรากฏว่าธนบารสิกากลับบ้านเมื่อพบกับอาจารย์ที่บ้านซึ่งศึกษากรรมฐ า, านทางวิถยุ ถ้าในบอกว่าเห็นทางวิทยุแนะนำว่าจาเห็นเป็นภาพพระพุทธรูปหรือว่าเห็นเป็นภาพพระสงฆ์ถือว่าเป็นมงคลยิ่งถ้าจับภาพได้นานสดงวจิตตรงชานหรือว่าเข้าถึงอุปจารสมาธิถ้าภาพน้ำน้นแจ่มใสจงเป็นบรบกายพึิกกลายจากสีเหลืองขาวน้อย ยางลงไปทุกทีทุกทีในที่สุดก็กลายเป็นประกายพริกขาโรนอันนี้ชีว่าเป็นชายพรลุมบาสีกาได้ฟังอย่างนั้นก็ดีใจในเวลาที่ภาวนาหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีนึกเห็นภาพองค์นั้นพระองค์นั้นประก็วดเป็นประกายผ่องใส ทีหลังเมื่อเวลาใครก็พูดทิ้งใครทิ้งเรื่องอะไรทิ้งบุคคลที่ตายไปแล้วที่ยังไม่ตายวัตถุอะไรก็ตามภาพนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่สุ ก, กะกลายเป็นบุคคลได้ที่ไปอยู่ขุยานไปนี่การศึกษาของท่านหลายต้องจับไว้ทั้งสองระการเว่าการสอนของผมในระดับนี้ไม่เประสงค์ที่ไปอยู่ขยาน เพื่สอสงอย่างเดียวคือขั้นสุขวิปัสสโกแต่ถ้าว่าบางเอื่นท่านทั้งหลายจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้ได้ที่ิกขุยานหรือว่าโนมยิยิมผมก็สนับสนุนถ้าต้องการอย่างนั้นให้หันไปสนใจกับหลักโสวิชาสามซึ่งมีอยู่แล้วที่แนะนำแบบนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแทนที่ท่านจะไปเถียงกับใครเขาจะได้รู้ไว ว่าแม้แต่เราตั้งใจภาวนาว่าพุโทโธหรือว่าธรรมโมสังโคโดยไม่กำหนดจิตคิดว่าจะเห็นภาพภาพก็สามารถจะเกิดได้ถ้าอารมณ์ใจของเราควรจะเข้าถึงเป็นพ้นได้ที่จะครุยายจำมาให้ดีนะครับนี่เป็นจุดหนึ่งสำหรับอีกจุดหนึ่ง ในการใช้พุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินั่นก็คือถ้าจิตของเราไม่ต้องการความสงัดคืออารมณ์สงบโดยเฉพาะแต่ว่าจิตต้องการอารมณ์คิดเรื่องจริยาเคื่อกายของจิตนี่ท่านจะต้องศึกษากันให้ดีอย่าให้มันตรงเกินไป ลงเกินไปแต่เพียงว่าฉันศึกษาพุทธานุสติต้องการอารมณ์หยุดแต่พอจิตจะคิดเข้ามาถึงด้านที่เจรณาความดีของพระพุทธธรรมปรตรงเราไม่เอาเราฝืนอารมณ์จิตแบบนี้แทนที่จะเป็นผลดีก็จะกลายเป็นอาการของฝืนกลุ่มไปกลุ่มอารมณ์จิตมันก็เสียมีความเร่าร้อน แก่นั้นจงใช้อารมณ์ให้มันคข้ามถูกกับจังหวะของอารมณ์จิตที่ต้องการถ้าจิตอยากจะคิดก็เชิญคิดคิดตอนไหนคิดถึงพุทธานุสติคำว่าพุทธานุสตินี่ประวัตตามนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราก็มานั่งพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าท่านดียังไง น้อมเข้าไปถึงความดีของพระองค์พระองค์เป็นกษัตริย์ถ้าพระองค์จะแสวงหาความสุขส่วนพระองค์เป็นกษัตริย์สบายกว่าที่จะต้องเดินป่าเดินโดงน้อยกลางดินริงกลางทายเป็นพระพุทธเจ้าที่สอนคนซึ่งไม่มีรางวัลสินแจ้งรางวัลใดๆไม่มีที่ตอนหนึ่งที่ว่าอีตอนหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จ ไต ร, รจินาสีบรมศาสัดาสัมมาสัพพะตเจ้าทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัโพธทิยานแล้วทรงเด็จพระบัณฑิแก้วเป็นพระรหันมีความสุขสามารถจะปนิพพานได้แบบสบายถ้าไม่สอนใครไม่พกใครใจก็มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์หากว่าพระองค์จะเป็นคนหินใแตัว ไม่สอนพวกเราเสียใครจะบังคับท่านเพราะว่าไม่มีใครเป็นนายท่านการจะบังคับให้ท่านเป็นอรหันต์เป็นครูไม่มีแต่แต่ว่าองค์สมเด็จพระจินสีไม่ทําอย่างนั้นรับมีพระมหากรุณาธิคุณทนแต่ความยากลําบากต้องนอนกลางดิงนจริงกลางทราย ต้องสู่ต่อสู้กับบรรดาลัทธิทั้งหลายนอกพระพุทธศาสนาที่สอนผิดจนองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรมีความลําบากบางคราวต้องพักถึงสิบห้าวันนี่คิดว่าเป็นความดีขององค์สมเด็จพระพุทธวันที่มีพระมหากรุณณาที่คุณต่อพวกเราเป็นความดีของพระพุทธเจา้าอันนี้เป็นความดีส่วนพระองค์ ความดีจุดหนึ่งที่พระองค์ทรงสอนพวกเราที่เราเรียกกันว่าพระธรรมสำหรับพระธรรมนั้นมีทั้งแปดหมื่สี่พันพระธรรมขันธ์แต่ว่าตอนนี้เราจะมาหยุดจุดเฉพาะความเป็นประโสดาบันของเราเราตั้งใจไว้ว่าเราจะเป็นประสดาบัน เราก็ตั้งขอบเขตไว้โดยเฉพาะความเป็นประสูคดาถ้าก้าวเืนไปมันจะลำบากเอากันแบบ ง, ง่ายๆการเจริญกรรมฐานกลุ่มนี้เป็นกำไรพิเศษเราก็หันมันดูคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบร ม, มโลกเกเจตที่มีพระมาหากรุณาธิคุณให้เราสนใจกับศีล น, นี่โดยย่องเอาศีลานุสติกรรมฐานเข้ามาแทรกเลย ไม่ใช่ต้องไปนั่งไล่เบียยว่าคำสอนของพระองค์ที่มีความสำคัญในขั้นที่จะเข้าถึงระโสดาบันนี่คือสิ่งจับจุดลงเฉพาะแบบนี้ย่าย้าๆมันเตะปากไปสำหรับพระพิจรณาวินัยมีขาบทสองรอยี่สิเจ็ดสขาบทอย่าให้บกพร่องสำหรับสมณเนร อย่าให้ศีลสิบบกต้องแล้วก็ต้องศึกษาเสกียวัตอีก2ีสิบห้ า, าเป็นอนวัาสมณ์นเนนี้จะต้องมีสิกขาบทปฏิบัติจริงๆแปดสิบห้าเลยกันสำหรับคนะวัดสนใจศีลห้าเป็นสำคัญแต่พราะพระกับเนนผมจะไม่โกรธถึงเพราะศีลบังคับทำอยู่แล้ว หากว่าท่านพลาดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งจงทราบว่าท่านหมดสภาพจากความเป็นพระถ้าหมดสภาพจากความเป็นพระมันก็เป็นเทหนเทนนะกขแปลหัวขาโมยเขาโมยเอาภาพของพระสงในพุทธศาสนามาใช้หลอกลวงชาวบ้านรูสิ ต, ตัวไว้ด้วย สำหรับครวัตเราก็มาพิจารณาสิว่าที่พระพุทธเจ้าแนะนำํำเรานี่ดีตอนไหนเอาสิ่งห้าข้อที่หนึ่งพระองค์ให้มีความรักเสี่งกันอะไรกันไม่ที่ค่ายคิงข้าวเสี่ยงกันอะกันความรักมันดีหรือว่ามันชัว่วคิดเอาใช้ปัญญาเราเป็นเพื่อนกันเรารักกันะมันดีมันมีเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ ให้ปัญญาอีกนะข้อที่สองให้มีความสันโดษพอใจเฉพาะทรัพย์ของเราที่เป็นสิทธิโดยเฉพาะไม่ยือแย่ยงไม่รักขโมยทัพย์ของใครอันนี้ดีหรือชั่วคิดเอาข้อที่สามสา ม, มีปัญญาเป็นที่รักเรารักเราก็ไม่ับเมิดความรักของบุคคลอื่น ไม่ละเมิดสามีปัญญามุททินดาฆ่าท่าหญิงชายคนในบกครองโดยที่ท่านยาของไม่อนุมัติดีหรือไม่ดีคิดเอาก็ดีสามวาจาไม่จริงวาจาหยาบวาจาที่พูดส่อเสียนส่อเสียดยุโยงส่องเสริมให้เขาแตกราวกัน ว่าจะสำราใครประโยชน์มันเป็นของไม่ดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เว้นถ้าเราเว้นถ้าเขาเว้นเว้นดีกันเนอาสองฝ่ายดีแล้วไม่ดีคิดเอาข้อที่สี่สุรามีรัยเป็นฐานะที่สั้งแห่งความเป็นคนบ้า ผมไม่พูดว่าความเป็นคนประมาททัมบาลีท่านบอกว่าสุราเรมีไรเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทผมขอพูดว่าตั้งนอยู่ในความเป็นคนบ้าตามบุติเราก็บ้ากิเลสตะนาวปาทานอยู่แล้วแต่ในบางขณะหน้ายังบางไม่หนามากน แต่พอดื่มสิวราเมรเข้าไปแล้วหน้าของคนคนนั้นหนายิ่งกว่าส้นเท้าสิอีกสามารถจะพูดเร็วทำเร็วยังไงก็นได้มันดีหรือไม่ดีใี่ผมเปรียบเทียบเท่านี้ผมยังเกรงใจนะยังเกรงใจเป็นอันว่าเรามานั่งพิจารณาสินห้าว่าเราควรจะละแล้วว่าควรจะละเมิด ถ้าเราต้องการเป็นเบสสนดาบันสิงของคารวาดสิงฆ้องเนรสิงของพระก็ควรจะปฏิบัติให้เก่งขัดยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดอย่างนี้ถ้าจิตทรงสิงได้มีรมเป็นปกติโดยไม่ต้องระวังว่ากำลังใจคิดว่าจะทำลายสีงนั่นมันไม่มี แล้วอย่าพลาดพลั้งไปเหยียบเอาสัตว์ตายโดยไม่มีเจตนาหรือใช้วาจาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่เพื่อรักษาประโยชน์ของบุคคลผู้รับฟังอันนี้ไม่ใช่ว่าสินขาดเหยียบสัตว์ตายไม่เจตนาสินไม่ขาดพูดรักษาประโยชน์ถ้าเขาจะแตกเร้ากันแล้วก็หาหนโยบายใดๆอย่างใดอย่าง มาแนะนำให้เขามีความสามาัคคีกันอย่างนี้ไม่ใช่มุสาเป็นเมตตาทิ่งที่ระวังยากมีอยสองข้อท่านนั้นนอกนั้นระวังง่ายถ้าว่าจิตเราทรงได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าทรงมีความเป็นพระโสดาบันจงจำไว้ว่าองค์สมเด็จพระพักตวันทรงสอนไว้ในอุทุมพรติกาสร ว่าหนึ่งเราจะไม่ตั้งใจทำลายสีงได้ตนเองสองจะไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายสีลสามเราจะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายสีลแล้วคุมใจของเราไว้แบบนี้ ถ้าจิตทรงอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์ันแสดงว่าท่านทรงสีรานุสติกรรมฐานไม่เป็นปกติจำรับสังขานลุสติกรรมฐานนั่นให้นึกถึงความดีของพระสงฆ์เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอริเสัสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงทรมานเทวกาย สอนพวกเราอยู่ทั้ง45พรรษาเมื่อสมเด็จพระบรมัสสันดาลนิพพินิพานแล้วสาวกข้อองสมเด็จพระปัณฑิตแก้วก็รวมกัน500ผูกมีพระมหาหีกัสเป็นปธานรวบรวมคำสอนข้อองสมเด็จพระวิธิตามานที่ต่างคนต่างฟังต่างคนต่างศึกษ า, า, าห้าเข้าไปหมดเป็นห ม, นมู่ เอาไว้เป็นครูสอนสำหรับเราแม่ท่านนันหลายเหล่านั้นก็ไปตามสอนบุคคลทันหลโดยไม่คิดกับค่าจ้างรางวัลไม่เห็นกับความเหน็เหนื่อยความจริงท่านเป็นพระหันท่านมีความสุขหากว่าท่านไม่สอนเราก็ไม่เห็นจะเป็นไรใครจะไปว่าอะไรแต่ว่าท่านนันาลเหล่านั้นปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผิด สมเด็จพระธรรมสัมมิตรติดตามสอนคนด้วยความไม่ตายสันใดมัรดาพระอริยสง์ท่าน์หลายก็ติดตามสอนพวกเราเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอาศัยที่ท่านฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิบัติตามท่านได้เป็นอราหารันต์ถ้าเราละ่ะเห็นความดีของพระสงฆ์ไหมว่าท่านดีขนาดไหน นี่เป็นว่าจิตใจของเราพอใจในพระพุทธเจ้าแลหรืออย่างพอใจในพระธรรมคำสั่งสอนคือสิ่งของพระพุทธเจ้าแลหรืออย่างพอใจในพระอริยสงฆ์แลหรืออย่างถ้าพอใจแล้วก็ดูคําแนะนําข้อองค์ขอเด็จพระบาทีแกอีกสุดหนึ่งว่าโลกมันเป็นทุกข มนุสโล ก, กันดีเทวโล ก, กันดีกุมาโล ก, กันดีไม่เป็นแดนหมดทุกแดนที่เป็นความสุขเป็นเอกาตาคือเป็นสุขสายเดียวไม่มีทุกข์เจียวผลคือวันิพันธ์อันนี้ก็ได้จะอุปสมานุสติก ร, รมมันฐานที่ข้งเราน้อมยอมรับวันิพันธ์ใหญ่ข้งเราแยกจากความต้องการความเป็นมนุษย์ แยกความต้องการเป็นวันได้แยกความต้องการเป็นผมได้ความจริงใจต้องอารมณ์ใจของเราให้มันคิดว่าพระนิพพานเท่านั้นเป็นที่ไปของเราถ้าจิตของเราตั้งมันแบบนี้ก็ชื่อว่าท่านทัน้งหลายเป็นเสชาสดาพันขึ้นยี่ชื่อว่าเป็นพระอริยเจ้าเบื้องตน อบายภูมิเั้งสี่บริการคือนรกเปิดอสุรกายสติฉันไม่ยิ่ทางไปของเราถ้าจะพูดต่อไปเวลามันหมดแล้วอรับเพราว่าเท่านี้ควรจะเป็นที่พอใจของพันนาลายแล้วรู้ว่าความเป็นพระสู ด, ดันบรรดาปันจริงของไม่ยากดังนั้นขอบรรดาสาวกเขาออกสมเด็จรพระภูมิสภา ศึกษาแล้วจงจะโยนทิ้งเสียใช้อิธิบาทสี่ข้ควบคุมอารมณ์ใจคิดว่าอย่างเลวที่สุดภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนความเป็นประสงดาบันก็จะถึงท่านนีความจริงเขาศึกษากันแบบนี้นะเดือนเดียวเขาเป็นอราหันต์หมดต่อที่นี่ไปของสาวกระองคสมเด็จพระบรมสุค์ สร้างกายให้ตรงสำรงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาไซจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี